วันที่สาธุชนพุทธบริศัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำใจให้เป็นพระเพราะมีใจเท่านั้นที่จะเป็นพระได้ร่างกายนี้ไม่สามารถเป็นพระได้ร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอาการสาสบสองเป็นผมขนเล็บฟัน หนังเนื้อเอ็นกระดูเป็นเกิดแก่เจ็บตายส่วนใจนี้ต่างหากผู้ที่จะเป็นพระจะเป็นพรหมจะเป็นเทพหรือจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกใจนี่แหละเป็นผู้เป็นขึ้นอยู่กับการกระทาของใจถ้าทำดี เช่นทำบุญให้ทานรักษาศีง์ภาวนาชำระใจให้สะาบริบสุทธิ์ใจก็จะเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระต่างๆพระในอริยะพระก็คือพระอริยสงในพระพุทธศาสนานี้มีพระอยู่สี่ประเภทด้วยกันคือหนึ่งพระโสดาบัน สองพระสะกิดาคามีสามพระอนาคามีและสี่พระอาหารหันตุคลเหล่านี้ที่เราเรียกว่าพระกันเพราะท่านทำความดีด้วยการทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมชำระใจให้สะอาดด้วยการนั่งสมาธิจเจริญปัญญา ใจจึงได้เปลี่ยนไปตามลำดับของการปฏิบัติขั้นต้นก็เป็นมนุษย์แล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นเทเถ้าได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีลถ้าได้นั่งสมาธิก็จะขยับขึ้นไปเป็นพรหมถ้าได้จเจริญวิปัสสนาพิจารณาปัญญาพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาว่าไม่เที่ยง มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาไม่สวยงามไม่มีอะไรสวยงามเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสื่อมต้องหมดไปไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราก็จะขยับขึ้นไปเป็นพระอริยขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหรันต์ เแต่ว่าเราไม่เรียกท่านว่าพระอาหารหันต์เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองท่านจึงมีชื่อว่าพระอาหารหันตระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดริญธรรมะผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองส่วนผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เราเรียกท่านเหล่านี้ว่าพระอาหารหันตสาวกคือเป็นผู้ฟังสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเรียกว่าพระอาหารหันตสาวกส่วนผู้ที่สามารถปฏิบัติ สอนตนเองให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ด้โดยไม่มีผู้สั่งสอนก็จะเรียกว่าพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าตัดสันรู้แล้วไม่สอนคนอื่นอยู่เฉยๆเงียบๆก็จะเรียกว่าพระปัิเจ ก, กพุทธเจ้าถ้าสั่งสอนคนอื่นก็จะเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้หลังจากที่ทรงตัดสรุปใหม่ๆก็ทรงมีความท้อพระทยัยไม่อยากที่จะสอนคำสอนให้แก่ผู้อื่นเพราะทรงเห็นว่าเป็นคำสอนที่ยากต่อการที่จะปฏิบัติตามได้ในเบื้องต้นก็ไม่อยากจะสอนถ้าไม่ทรงสั่งสอนแก่ใครพระองค์ก็จะเป็นพระประเจ ก, กัพระพุทธเจ้า คือจะไม่รู้ว่าท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านจะไม่บอกใครไม่สอนใครแต่เนื่องจากหลังจากที่มีทรงมีเวลาที่พิจารณาและมีเท้ามหาพรหมได้มาขออาราธนาให้โปรดเมตตาสงสารแก่สามโลกทั้งหลายที่ยังไม่รู้จากทางที่จะ ทำตนให้เป็นพระอาหารหันต์แน่รู้จักทางกันพระพุทธเจ้าจึงได้พิจารณาก็ทรงเห็นว่าบุคคลนี้มีอยู่สี่ประเภทด้วยกันเหมือนบัวสี่เหลา่ามีบัวที่โผล่เหนือน้ำมาแล้วพร้อมที่จะบานสกครั่งเมื่อมีพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นมามีบัวที่อยู่ปริมน้ำที่ยังจะต้องรอเวลาให้ จเจริญโตขึ้นเหนือน้ำขึ้นมาแล้วค่อยบานสะพรั่งต่อไป <c oughs> และก็มีพวกที่สามที่บวกลกางน้าคือยังต้องใช้เวลาอีกร้ายวันกว่าที่จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาและบานสะพรั่งได้ส่วนพวกที่สี่ก็เป็นพวกที่อยู่อยู่ที่พื้นพื้นดินอยู่ในโคลนอยู่ในตน พวกนี้จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามโผล่ขึ้นมาเหนือน้มได้เป็นจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปหลังจากได้ทรงพิจารณาก็ทรงเห็นว่ามนุษย์เหล่านี้ก็มีคนที่มีความฉลาดมีความโง่ไม่เท่ากันพวกที่ฉลาดมากพวกที่เป็นคนดีมากก็มีอยู่ ก็เปรียบเหมือนพวกที่บัวเป็นพวกบัวเหนือนา้าพอได้รับคำสอนที่สอนถึงเรื่องของความดีงามและความไม่ดีงามทั้งหลายคือได้ยินเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์พอได้ยินได้ฟังก็จะเกิดศรัทธาเกิดปัญญาสามารถทาตนเอง ไม้กลายเป็นคนดีกลายเป็นพระขึ้นมาได้นี่คือพวกแรกพวกที่มีความดีมากมีปัญญาความฉลาดมากพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นนักบวชที่รักษาศีลมาแล้วพวกที่ได้เจริญสมาธิมาแล้ว มีจิตใจที่สงบนิ่งแล้วเพียงแต่ขาดปัญญาจึงไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนสก็จะไม่มีวันที่จะเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาได้ด้วยตนเองเพราะไม่มีปัญญาความรู้ความฉลาดมากพอนั่นเองแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ แล้วนาเอามาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่มีศีลมีสมาธิอยู่แล้วก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ทันทีทันใดหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็คือพระอริยาาสัจสีคือทรงสแสดงเหตุของทุกข์และเหตุของการดับทุกข์เน พอได้ยินได้ฟังพอรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากต่างๆและการจะดับความอยากความต่างก็ต้องใช้ปัญญาพิจราวให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เราอยากได้นั้นให้มีความสุขกับเราอย่างแท้จริงเพราะทุกสิ่งทุก อ, อย่างไม่เทียมมีเกิดมีดับต่อให้วิเศษขนาดไหนเวลาได้มาก็มีความสุข แต่เวลาจากไปก็จะทุกข์ใจนี่ทรงสอนให้เห็นความจริงนี่คือปัญญาถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเราก็จะไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรใจก็จะไม่มีความทุกข์นี่คือคําสอนที่ไม่มีใครรู้ความรู้ที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียว พอมาสอนให้ผู้ที่มีศีลมีสมาธิได้ยินเขาก็สามารถตัดความอยากได้หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจของเขาก็กลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมานี่คือบุคคลกลุ่มแรกพวกที่อยู่เหนือน้ำแล้วบวนเหนือน้ำแล้วพวกที่สองนี้ก็เป็นพวกที่อยู่ป่นน้ำที่รักษาศีลได้ แต่ยังไม่สามารถจเจริญสมาธิได้ยังทำใจให้สงบไม่ได้ถึงแม้จะฟังเทศของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้เหมือนคนที่รู้ว่ากินเหล้าไม่ดีแต่ก็รู้ว่าหยุดความอยากกินเหล้าไม่ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะหยุดถ้าใจมีสมาธิแล้วจะมีกำลังเพราะสมาธินี้เป็นน้นเบรคที่จะหยุด ความอยากต่างๆได้ดังนั้นผู้ที่รักษาศีลได้แต่ยังไม่มีสมาธิเมื่อฟังเทศฟังคำสอนของพ่อพระเจ้าแล้วถึงแม้จะรู้ว่าจะต้องทำอะไรแต่ก็ยังจะทำไม่ได้จนกว่าที่จะสามารถจเจริญสมาธิให้ได้ก่อนเมื่อใจมีสมาธิแล้วทีนี้ก็จะสามารถ หยุดความอยากต่างๆได้ก็ต้องใช้เวลามากน้อยต้องฝึกสมาธิไปก่อนพอได้สมาธิแล้วพอมาพิจารณาธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้พวกที่สามก็เป็นพวกที่ยังไม่ปินศีลอย่างสม่ำเสมออย่างถาวรคือยังไม่ได้เป็นนัก บ, บวชนั่นเอง เช่นคารวะญาติโยมทั้งหลายที่รักษาศีลแบบขัดขาดเกินเกินบางวันก็รักษาได้บางวันก็รักษาไม่ได้พวกนี้ก็ยังจะต้องมาฝึกรักษาศีลให้ได้ก่อนรักษาศีลห้าให้ได้แล้วก็รักษาศีลแปเมื่อรักษาศีลห้าศีล8ปได้ก็จะฝึกทำสมาธิได้ออกบวชได้เมื่อออกบวชได้จะเริ่มสมาธิได้ ก็จะสามารถเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถหยุดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้พวกนี้ก็ต้องใช้เวลามากกว่าพวกที่เป็นนักบวชพวกที่มีศีลแล้วแต่ยังไม่มีสมาธิแล้วก็พวกนี้ก็ยังต้องช้ากว่าพวกที่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิแล้ว นี่คือกลุ่มที่สบุคคลที่สแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้อย่างที่ท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญกันในวันนี้มารักษาศีลกันเมื่อกี้นี้ก็เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจให้ได้เป็นพระอาหารหันต์ในลําดับต่อไปเมื่อรักษาศีลได้ทั้นต่อไปก็รักษาศีลแปบดบแล้วก็ นั่งสมาธิทำใจให้สงบทำไปเรื่อยๆไม่นานก็จะสามารถบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้ส่วนพวกที่สีน่นี้เป็นพวกที่ไม่ได้มาวัดกันเป็นพวกที่ชอบเข้าบ่อนเข้าบาร์นพวกที่ชอบไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนเป็นพวกที่ไม่เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์พวกนี้ก็จะไม่มีโอกาส ที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะเป็นเหมือนสุนัขคือเหมือนเวลาที่สาดน้ำใส่หลังสุนัขสุนัขจะสะบัดน้ำทิ้งไปหมดเลยพวกนี้เวลาได้ยินได้ฟังธรรมะ ก, ก็จะปฏิเสธคาสอนไม่เชื่อว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระอรหันต์มีจริง ไม่เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงไม่เชื่อว่ากรรมมีจริงไม่เชื่อว่าการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงพวกนี้เขาก็จะไม่สนใจที่จะหยุดความอยากของเขาความอยากเที่ยวความอยากมีเงินมีทองอยากร่าอยากรวยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ถ้ามีความอยากเหล่านี้แล้วก็จะผลิตความทุกข์ให้กับเขาเขาก็จะทุกข์ไปแล้วก็จะไม่สามารถที่จะทําใจของตนให้เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยเจ้าได้แต่จะทําใจของเขาให้เป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างเพราะถ้าทําบาปด้วยความหลงก็จะเป็นเดรัจฉาน ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจองเวนจองกรรมก็จะเป็นนรกนี่คือใจเป็นไปตามกรรมนังนที่มีบทบาลีลิสสุภาษิต ท, ที่ทรงตัดไว้ว่าสัตย่อมเป็นไปตามบุญตามกรรมของตนทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้ รับผลของกรรมนั้นผู้ที่รับผลนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ใช่เป็นผู้รับผลผู้ที่รับผลคือใจที่จะกลายเป็นเป็นอะไรต่างๆถ้าทําบุญให้ทานรักษาศีลก็จะเป็นเทพถ้านั่งสมาธิด้วยก็จะเป็นพรหมถ้าจเจริญปัญญาตัดความอยากได้ ก็จะเป็นพระอริยะขั้นต่างๆถ้าไม่ทำบุญไม่รักษาศีลถ้าสัตตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโกหกดอกรวงถ้าทำด้วยความหลงก็จะเป็นเดราาัจฉานถ้าทำด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตถ้าทำด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตยายบาปก็จะเป็นนาวะนี่คือ เรื่องของใจของพวกเราทุกๆคนที่สามารถเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่การกระทาของเราไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นไม่มีใครสามารถมาเสกมาเป่าให้เราดีให้เราวิเศษได้ไม่มีใครสามารถมาสาบแช่งให้เราเลวได้มีการกระทาของเราเท่านั้นที่จะทำให้เราดีหรือให้เราเลว พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้สร้างสุขให้กับตนตนเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับตนผู้อนไม่สามารถสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้กับเราได้เราเท่านั้นเป็นผู้สร้างถ้าเรามีความโลภมีความอยากมากเราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเรามาก ถ้าเรามีความอยากน้อยมีความโลภน้อยเราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราน้อยถ้าเราไม่มีความโลภความอยากเลยเราก็จะไม่มีความทุกข์เลยถ้าเรามีความดีทำความดีเช่นทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรม อย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่นี้เราก็จะสร้างความสุขให้กับใจถ้าเราทำมากเราก็จะได้ความสุขมากถ้าเราทำอย่างเต็มที่เราก็จะได้ความสุขเต็มร้อยเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเต็มร้อยท่านจึงได้ความสุขเต็มร้อย ความสุขที่มีชื่อว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังแปลว่าบรมสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อมเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราแสวงหากันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมา เพราะสิ่งที่เราแสวงหาให้ความสุขกับเรานี้อยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเช่นเรามีความสุขกับสามีกับภรรยากับบุตรกับธิดาแต่เวลาสามีภรรยาบุตรธิดาตายจากเราไปความสุขที่ได้จากเขาก็จะหมดไปเหลือแต่ความทุกข์เหลือแต่ความเศร้าส้อยห้อยหเหงา ความว้าเวถึงกับอาจจะไม่อยากจะอยู่ต่อไปเพราะว่าไม่ได้หาความสุขที่เป็นบรมมาสุขกันนั่นเองไปหาความสุขที่เป็นบรมมาทุกข์กันพวกเราจึงต้องร้อมห่มร้องไห้กันมาทุกภพทุกชาติเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาตินี้ต้องมาร้อมห่มร้อมห้กับการสูญเสียกับการพักผ้า จากสิ่งที่เรารักต้องมาล้องห่มร้องห้กับความแก่กับความเจ็บกับความตายพาอไม่รู้ต้นเหตุของการมาเกิดว่าอยู่ที่ความอยากของเรานี่เองอยู่ที่ความอยากในกามคือในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวอยากเล่นอยากหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพระแต่ไม่รู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพระละมันไม่เทีย่ยวมันมีเจริญละมีเสื่อมเวลาเจริญก็มีความสุขแต่เวลาเสื่อมก็มีแต่ความทุกข์แทนที่จะเข็ดลาบกับไม่เข็ดพอหายทุกข์ก็วิ่งไปหาความสุขใหม่เช่นสูญเสียสามีหรือภรรยาคนนี้ไป พอหายจากความทุกข์แล้วก็ไปหาสามีหาภรรยาคนใหม่มาทุกต่อไปแทนที่จะหาต่อสู้กับความอยากที่จะมีความสุขกับคนนั้นคนนี้ถ้าหยุดความอยากได้ก็จะได้ไม่ต้องมาทุกเวลาที่ต้องสูญเสียเขาไปแทนที่จะแก้ปัญหากับไม่แก้กันกลับไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา ด้วยการไปหาคู่ครองคนใหม่หาแฟนใหม่หาสามีใหม่หาภรรยาใหม่หรือลูกตายไปก็หาลูกใหม่ผลิตลูกใหม่ออกมาแทนไม่เคยคิดเลยว่าเมื่อออกมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดพรากจากกันอีกต้องตายจากกันอีกนี่คือความมืดบอดหรือความเหลอคือไม่ยอมคิดความจริงกันกลัวกันไม่กล้าคิดกัน ไม่กล้าคิดถึงความตายกันไม่กล้าคิดถึงความเสื่อมกันเพราะใจอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะไม่เสื่อมอยากจะให้ทุกสิ่งจเจริญไปตลอดเวลาแต่มันขัดกับความจริงที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเจริญไปได้ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อจเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือความจริง ถ้าเรายอมรับความจริงเราพิจารณาความจริงเราก็จะไม่มีเราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะการได้อะไรมานี้ก็เท่ากับการได้ความทุกข์มานั่นเองเวลาได้มาแล้วได้ความสุขเพียงเดียวเดียวหลังจากนั้นก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้ต้องทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความเสียดาย เวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักไปนี่คือเรื่องของใจที่ไม่ได้มีความรู้ไม่มีปัญญาจะทุกข์อย่างนี้ไปทุกภพทุกชาเกิดมากี่ครั้งกี่หนก็จะต้องมาล้องหกล้องห้ามาเศร้าโศกเสียใจมาทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้อยู่ตลอดเพราะมีความอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้ เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นตามความอยากก็จะทุกข์ใจเศร้าสศกเสียใจแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังความจริงของความสุขและความทุกข์ของใจว่าเกิดจากความอยากหรือไม่อยากถ้าไม่อยากใจก็จะไม่ทุกข์ใจจะมีแต่ความสุข ถ้าอยากก็จะมีแต่ความทุกข์ถ้าละความอยากได้ก็จะไม่มีความทุกข์ถ้าอยากจะละความอยากก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนขั้นต้นก็ให้ทาบุญให้ทานให้เสียสลัดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่มากเกินความจําเป็นอย่าเก็บเอาไว้ียหวหวง จะเป็นจะทำให้ใจทุกไปเปล่าตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีให้ตัดส่วนนี้ไปยกให้คนอื่นไปเพื่อใจของเราจะได้เบาสบายไม่ต้องมาห่วงมากังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็จะทำให้ใจของเรามีความเมตตามีความที่จะไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่น คนที่ให้ทานคนที่ทำบุญนี้จะไม่ชอบทำบาปแล้วก็จะทำให้รักษาศีนได้เป็นข้อที่สองที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติข้อแรกให้ทำทานเมื่อทำทานแล้วใจจะมีความเมตตากรุณาใจก็จะรักษาศีนได้แล้วเมื่อรักษาศินได้ใจก็จะมีความสงบ ไม่วุ่นวายวิตกกังวลไปกับบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้ก็จะสามารถทำใจให้สงบได้นั่งสมาธิได้เพราะการจะนั่งสมาธินี้ต้องไปอยู่ที่เยี่ยมเยืยกไปอยู่ที่เปลี่ยวเปลี่ยวไปอยู่ที่ไม่มีคนถ้าใจทำบาปมาจะไม่กล้าไปเพราะกลัววิบากของของกรรมที่ตนได้ทำไว้ เวลาไปอยู่ที่เปลี่ยวเปี่ยวที่น่ากลัวนี้ใจจะคิดถึงบาปกรรมที่ตนเองได้ทำไว้จะหวาดกลัวจะไม่กล้าอยู่คนเดียวก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้แต่ถ้ารักษาศีลได้ไม่ทำบาปทำกรรมเวลาไปอยู่ที่เปลี่ยวที่น่ากลัวจะไม่รู้สึกหวาดกลัวเพราะไม่ได้ทำอะไรไว้ที่ไม่ดีนั่นเอง ไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำผิดศีล mm. ก็จะสามารถอยู่ในที่เปลี่ยวที่น่ากลัวได้ mm. ก็จะสามารถทำใจให้สงบได้อย่างรวดเร็วเมื mm. ่อทำใจให้สงบได้ mm. ก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ mm. พอพระพุทธเจ้าสอนว่าให้หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส mm. ก็หยุดได้ mm. เช่นให้หยุดดื่มเหล้าก็หยุดได้เ mm. ลิกดื่มสุลาก็ดื่มได้ ให้หยุดการร่วมอยากหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็หยุดได้ให้ออกบวชก็จะบวชได้เมื่อทำอย่างนี้ได้ต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพอหยุดความอยากทั้งหมดได้หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้หยุดความอยากมีอยากเป็นได้เช่นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นเจ้านาย อันนี้ก็จะตัดไปได้แล้วก็จะตัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ถ้ายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่ทุกครั้งเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเวลาไม่แก่เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์ใจ พราใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายผู้ที่แก่คือร่างกายผู้ที่เจ็บคือร่างกายผู้ที่ตายคือร่างกายแต่ร่างกายเขาไม่มีความรู้สึกเขาไม่รู้ว่าเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเขาจึงไม่เดือดร้อนเวลาเอาร่างกายไปเผาในเตาร่างกายไม่บ่นแม้แต่คำเดียวว่าอย่าเอาไปเผาผู้ที่บ่นก็คือใจ แต่ตอนนั้นใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วใจทิ้งร่างกายไปแล้วร่างกายจึงไม่เดือดร้อนเวลาที่เขาเอาเข้าเตาไปแต่ถ้ายังมีใจอยู่นี่เขาใจจะไม่ยอมให้ใครเอาร่างกายนี้เข้าไปเผาอย่างแน่นอนต้องสู้กันอย่างสุดฤทธิ์กันก่อนทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้เป็นผู้ถูกเผาแต่ใจถูกความหลงหลอกให้คิดว่า ร่างกายเป็นใจใจก็จะสู้สุดขีดยิ่งสู้เท่าไหร่ก็จะยิ่งทุกข์ทรมานเท่านั้นถ้าไม่สู้ถ้าปล่อยได้ใจจะเย็นใจจะสงบจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการตายของร่างกายนี่คือปัญหาของพวกเราก็คือความอยากสามประเภทนี้เองความอยากในการมความอยากมีอยากเป็น และความอยากไม่มีอยางไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เป็นโจทย์ที่พวกเราจะต้องทำข้อสอบให้ได้คือต้องฐานต้องตัดต้องละความอยากทั้งสาส่วนนี้ให้ได้วิธีที่จะละก็คือต้องทำอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองก็คือให้ทำบุญให้ทานให้รักษาศีล ให้ปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาถ้าทำได้ทั้งสามข้อนี้แล้วก็จะสามารถหยุดความอยากทั้งหมดได้เมื่อหยุดความอยากได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์กลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้นี่คือเาลาของพวกเราที่เรามาทำกันในวันพระนี้วันพระก็แปลว่า วันที่ทำใจของเราให้เป็นพระนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามปฏิบัติตะเกียกตะกายทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทำให้มากขึ้นไปตามลำดับจากน้อยไปหามากตอนนี้เราทำได้วันละครั้งต่อไปเราทำวันพระให้มีสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งต่อไปทำให้มีทุกวันเลย ทำให้ทุกวันเป็นวันพระทำบุญทุกวันรักษาศีลทุกวันปฏิบัติธรรมทุกวันแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วใจของเราก็จะกลายเป็นพระขึ้นมาอย่างเป็นรูปแบบจึงขอฝากเรื่องของการนันเพื่อมาทำใจให้เป็นพระนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ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 โดยทั่วหน้าการเธอ